เรื่องผู้ถูกโจ์โดยไม่ชอบธรรมไม่ต้องเดือดร้อนท่านพระบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ถูกโจ์โดยไม่ชอบธรรมไม่พึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการเท่าไรพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคปรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยไม่ชอบธรรมไม่พึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการห้าอย่างคือหนึ่งท่านถูกโจทย์โดยการไม่ควรไม่ถูกโจทย์โดยการที่ควรจึงไม่สมควรเดือดร้อน 2. ท่านถูกโจทย์โดยเรื่องไม่จริง